หน้า6 5รพระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับการเห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาและจะตามด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นว่าเอตังมะมะเนโสมะสมิหนามเมโสตาคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วพระองค์ก็อธิบายขั้นตอนของจิตหลุดพ้น <c oughs> ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์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 ตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มี <c oughs> เมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคล้มอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูป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 เมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วประมรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นพระสูตรนี้จะ เรียกว่าเป็นช็อตเด็ดอันหนึ่งในปฏิจจสุบาทก็ได้นะเป็นพระสูตรที่รวบยอดตั้งแต่การเห็นขั้นตน้นเบื้องตน้นเห็นความไม่เที่ยงมาจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลย <c oughs> พระองค์ก็อธิบายตั้งแต่รูปนะพระสูตรนี้ก็จะหยิบรูปเบญธนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณายก ตัวอย่างเรื่องรูปพรองให้เห็นรูปว่ามันไม่เที่ยงคือแปลเปลี่ยนสิ่งใดที่แปลเปลี่ยนสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับสิ่งใดเดินไปสู่ความดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างของอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาอันนี้พระตถาคตตรัสไว้ชัดๆ <c oughs> ว่าขันหนั้นไม่เที่ยง รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้ น, นถ้าเราเห็นอนัตตาในสิ่งสิ่งนั้นแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นว่าสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรามันจะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่ภาษาบาลีบอกว่าเนตังมะมะ นั่นไม่ใช่ของเราเนโสหะ ม, มัสมิไม่ใช่เป็นเราณนะเมโซอั ต, ตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงด้วยประการอย่างนี้응응นั่นนี่คือตัวอย่างของการใช้อานิจังทุกขังนัอนัตตา จนกระท <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั่งเกิดปัญญาเห็นว่าเนตังมะมะเนสวอมะสมิณะเมโสวตาพระสูตรเหล่านี้มีเยอะมากที่ไล่ลำดับตั้งแต่การเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีหลายร้อยพระสูตรนะซึ่งถ้าไปเทียบที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาอันเป็นอุปาการะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นอุปการะแก่นิพพานนั้นเป็นฉไนพิกษุในศาสนานี้เห็นว่าจักษุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาเห็นนะขัน5้าเป็นอนัตตาเนี่ยตรัดไว้หมดเลยตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขวิญญาณเป็นอนัตตาจักขวิสัมผัสเป็นอนัตตานะอ่าใจเป็นอนัตตานะอืมสั สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาปิญญาเป็นอนัตตาตัดหมดเลยแต่คำว่านิพพานเป็นอนัตตาที่ติดกันอย่างนี้ไม่มีเลย น, นี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นโอเค <c oughs> ทีนี้มาต่อ <c oughs> วักต่อมา ดูก่อนพิสูั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีแปลว่าความยึดมั่นในความเห็นอันเป็นส่วนอดีตหรือทิฏฐิอันปารบขันในเบื้องต้นนะ <c oughs> ทิฏฐิที่ปารบขันในเบื้องต้นก็คือ เหมือนอยากไปรู้อดีตนะยึดมั่นในความเห็นส่วนอดีตอปรันตานุทิฏฐิหมายถึงอะไรก็คือความยึดมั่นในความปรุงแต่งในส่วนอนาคตนะหรือทิฏฐิอันปารบขันในเบื้องปลายนั่นเองในเบื้องปลายข้างหน้านะความเห็นในเบื้องปลายข้างหน้าเรามีความเห็นไปยึดไหมนะเมื่อปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มี นะดูคํามันจะคล้ายๆกันนะปุปพันตาหรือยมได้ยินคําว่าปุปเพนิวาสานุตสติญาณเห็นนะอ่ามันก็จะปุปเพปุปพันตาเ น, นี่เราก็จะเริ่มคุ้นคําบาลีแล้วว่ามันจะใกล้เคียงกันนะปุปพันตานุทธิติทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทธิติทั้งหลายก็ย่อมจะไม่มีนะ เมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายคือความเห็นปารบผ่านเบื้องปลายไม่มีความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีการที่เราจะไปยึดมั่นยึดถือซึ่งความเห็นนั้น <c oughs> ย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายความกำหนัดในรูปคือย่อมจางคลายความพอใจในรูปในเวทนา ในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะเพราะนั้นขันสวนอดีตขันสวนอนาคตถ้าเราไม่ยึดถือมันแล้วเนี่ยนะแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยของเราเนี่ยกำลัง ความยึดมั่นกําลังค่อยๆจางคลายไปหมดไปเมื่อความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าหมดไปในที่สุดวิญญาณจะหลุดพ้นจากอสวะนะเพราะไม่ถือมั่นนะด้วยอุปท า, านนั้นด้วยการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ความถือมั่นในขันทั้งห้ามันจะค่อยๆหมดไปสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นขันห้าในปัจจุบันเมื่อเราเห็นขันห้าในปัจจุบันขันห้าในอดีตขันห้าที่ล่วงไปแล้วและขันห้าที่ยังมาไม่ถึงใดๆก็ตาม <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นไปด้วยเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆทําซ้ำๆเข้า ในที่สุดจิตย่อมจางคลายความรักไข่พอใจในขันทั้ง5และหลุดพ้นจากอสุวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นและพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจริงดำรงอยู่เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจิตจริงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจริงยินดีร่าเริงด้วยดีปราศจากขันห้าแล้วปราศจากของหนักแล้ว ก็ดำลงอยู่ขณะที่ดำลงอยู่ก็ยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุง้งทำธรรมะทำอันเป็นเครื่องให้เกิดความหวาสดสะดุ้งก็คือความยึดมั่นในขันทั้ง5ไม่หวาสดสะดุ้งก็คือไม่ตายไม่ต้องหวาดระแวงว่า อะไรจะตายอะไรจะเจ็บจะป่วยจะเสื่อมจะแตกดับเพราะไม่มีอะไรแตกดับเมื่อไม่กลัวว่าจะมีอะไรแตกดับเพราะไม่ยึดถือธรรมที่แตกดับก็เลยไม่มีความสะดุง้งหวาดเสียวสั่นรลอนแห่งจิตนั้นจะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกทำอันเป็นเหตุให้เกิดความสะดุง้งคือความยึดมั่นในขันทั้งห้าเมื่อไม่หวาสะดุง้งย่อมปัิพานเฉพาะตนนั่นเทียว เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นช็อตเด็ดเลยนะอธิบายตั้งแต่แรกจนกระทั่งอ่า หมดความยึดมั่นในขันอันเป็นปัจจุบันขันอันเป็นอดีตขันอันเป็นอนาคตจนกระทั่งกลายความพอใจในขันทั้ง5ทั้งหมดแล้วก็จิตหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็บอกว่าจิตดำรงอยู่นะ <c oughs> ก็จะเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสในเรื่องว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิง้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้มอดไม่ทำให้ลุกโปล่แล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วนะ ก็ไม่ยุบไม่ก่อละทีแรกยุบไม่ก่อแต่พอหลุดพ้นแล้วยุบก็ไม่ยุบก่อก็ไม่ก่อนะแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่เธอไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่นะอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องฝึกแยกนะฝึกกระจายขันออกไป เมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อเรากระจายแล้วนะก็เหลือการดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นนิพานไม่ได้ขาดสู์อย่างในสองประสูดนี้ก็จะสอดรับกันว่ามีการดำรงดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะที่ไม่เกิดไม่ดับภาวะไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ความมีอยู่ของมันนั้นนะมันไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมไม่ปรากฏการดับนั่นเอง จึงเป็นการดำรงอยู่ของธรรมชาตินี้เฉยๆโดยที่ไม่มีการมากันไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไระอันนี้เป็นความหมายแห่งพระสูตรนีน้ซึ่งถ้าเราข้ามไป ไปหน้า6 5 9 <c oughs> จะมะีพระสูตรคล้ายๆกันนะอยากเอาพระสูตรคล้ายๆกันข้ามไปนิดนึงจริงๆหน้าเอาพระสูตรนี้มาต่อหน้านี้ก็จะดีจะสอดนับกันใกล้กันก็คืออธิบายถึงการมาการไปนะ ทีพระองบอกว่าความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้วจิตที่มีตัณหามีทิฏฐิความเห็นที่อาศัยแล้วเนี่ยจะหวันไหววันไหวคือมีการมากันไปความวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าละตัณหาได้มันจะหยุดหวั่นไหวมันจะนิ่ง เมื่อความหวันไหวไม่มีปัสทิย่อมมีปัจสทิในที่นี้หมายถึงความรำงับแห่งจิตอาตมาก็อธิบายไว้ในหนังสือของอาตมาว่าหน้า442บรรทัดสุดท้ายในอริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นจะมีการอธิบายคำว่าปัจสทิตรงนี้คือความรำงับแห่งจิต เนี่ยเราใช้คำพุทธเจ้ามาตอบคำพุทธเจ้าเพราะฉนั้นถ้าเร า, าเอ๊ปะปัสสธิไม่รู้อะไรไม่เป็นไรอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอเห็นไหมมันไปเจอในไหนอริษษยสัจจพอดภาคตน้นหน้า4ี่รอยสี่สองอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นโยมมีหน้าที่อ่านอ่านให้หมดทั้งหมดนะโยมต้องคลุกอยู่กับห้าเล่มนี้จนทั้งโยมสามารถโยงกันได้ทั้งหมดนะอยู่ในหัวหมดอย่างนี้อืมเมื่อปสัสสติไม่มี ความน้อมไปย่อมไม่มีนะเมื่อปะสสิความรำงับแห่งจิตมีนตินาติแปลว่าความน้อมไป <c oughs> หรือคือตัณหานั่นเองตัณหานตินันธิราคะฉันทะ5้าตัวเนี้เป็นกลุ่มเดียวกั น, นตรงนี้เราจะได้คาอีกคำานึงว่านติซึ่งแปลว่าความน้อมไป ถ้าความรำงับแห่งจิตมีการน้อมไปจะไม่มีถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าการมาการไปจะไม่มีถ้าจิตมันนิ่งอยู่ที่ที่เดียวและไม่มีการน้อมไปหาอารมณ์อื่นนั่นคือจิตไม่มีการมาการไปพระองค์ใช้ว่าเมื่อณติไม่มีอาคติคติย่อมไม่มีก็คือเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มี อาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนะโหติก็คือเมื่อการมาการไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรางงงงบาลีเราก็แปลสวมทับเข้าไปเลยเราก็เปลี่ยนคําว่าอาคติคติเป็นการมาและการไปก็คือแปลได้ว่าเมื่อการมาการไปไม่มีนะจตูปปาตะนะย่อมไม่มีเราก็แปลไปเลยนะ ตามที่เขาแปลตรงนี้จุดตูก็คือจุติคือตายนะปาตะก็คือมาจากอุปาตะจุติบวกอุปาตอุปาตะแปลว่าวเกิด <c oughs> อาตมาวงเล็บให้ว่าไปดูคำนี้ในอริยสัจจากพออระอดภาคต้นหน้า741จะแปลคำว่าอุปาตไว้ให้นะก็คือการเกิดนั่นเอง ส่วนจุดติก็คือตายเราก็มาใส่คํานี้ในคําว่านะจุดู ป, ปปาโตนะแล้วเวลาเราท่องเราก็ท่องแบบทําความเข้าใจไปเลยว่าเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีก็คือหรือการตายและการเกิดย่อมไม่มีนั่นเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วโยมก็สวดหรือท่องนะ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 อาตมาหมายเหตุอีกอันนึงว่าคำว่าน้อมไปเนี่ยคือนัตติเนี่ยมันแปลว่าอะไรไปอยู่ในเล่มไหนได้บ้างคำว่านัตติไปอยู่ในอริยสัจจากะโอษฐภาคต้นหน้า443มนะหมายถึงความน้อมไปทางใดทางหนึ่งของจิตเท่ากับอะไรได้บ้างเท่ากับตันหาไปดูหน้า741ของอริยสัจภาคต้น จะแปลเหมือนคำว่าตัณหาซึ่งตัณหาก็คือตัวนันทินั่นเองเพราะนั้นเราจึงสรุปไล่ห้าคำที่เกี่ยวเนื่องกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่พอจะใช้ใช้แทนกันได้ก็คือตัณหานตินันทิราคะฉันทะนะ <c oughs> เวลาเราเราดูถ้าเราคุกคีอยู่กับตรงนี้เรากเ็เชื่อมโยงคำพูทเจ้าได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆย้อนกลับมาดูหน้าหกห้าหก อุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างคืออะไรกามุปาทานอุปทานในการทิดทุปาทานอุปทานในความเห็นสีละพัตุปาทานอุปทานในศีลพรดอัตตวาทุปาทานอุปทานในอัตตาอุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นนิฐานะ นี่ดูผู้เจ้าตรัสคําที่เหมือนกันคําที่ซ้อนกันมีอะไรเป็นนิธานะคือต้นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยเครื่องก่อให้เกิดนะเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นชาติกะเครื่องทําให้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัปภวะแดนเกิดแล้วคอยไปดูพระสูตรอื่นนะก็จะมีะคําเกี่ยวกับว่าเกิดเนี่ยนะมีอะไรมีเหตุมีปัจจัยอีกสองคำที่แปลว่าเหตุเหมือนกัน บางทีพระองค์ก็ตัดบางคำแล้วก็ใส่คำว่าปัจจัยใส่คำว่าเหตุแล้วเราเอามารวมกันหมดเราก็จะได้คำที่เหมือนกันนะเหตุ ate, <c oughs> ปัจจัยนิธานะ ana, สมุทัยชาติกะปภพพะวะหคคำละแปลว่าเหตุเกิดหรือแปลว่าเหตุเหมือนกันหมดนะ <c oughs> อุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นนิธานะคือมีตัณหาเป็นเหตุเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นนิทานะเป็นสมุทัยเป็นชาตกะเป็นป่าพาะนะอุปทานมีความอยากเป็นเหตุแล้วอุปทานมีตัณหาเป็นเหตุแล้วตัณหามีอะไรเป็นเหตุตัณหาก็มีเวทนาเป็นเหตุเวทนามีอะไรเป็นเหตุมีภาษาเป็นเหตุพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทมาเลยนะ จนถึงวิญญาณจนถึงสังขารไปถึงอวิชชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการดาแลอวิชชาภิกษุละได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นเพราะความสำลอกออกโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาเพราะวิชชาเกิดขึ้น เธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกามุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งศีลพัตุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอตตวาทุปาทานเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ <c oughs> กามุปาทานคืออุปทานในกามกามก็คือความกําหนัดไปตามอำนาจความตรีตึกหรือว่าตัวกรรมธาตุคือดินน้ำไฟลมนั่นเอง ความยึดมั่นความพอใจในท่าสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นกามุ ป, ปาทานส่วนความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุ ป, ปาทานก็คือความเห็นอุปทานในความเห็นต่างๆจิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราไปมีความยึดมั่นถือมั่นว่าความเห็นนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้ก็เป็นทิฏฐุ ป, ปาทานนะอุปทานในความเห็น สีละประตุปาทานคืออะไรนะสีละประตุปาทานอันนีน้กว้างกว่าสีละปะตปลามาดยมจะเคยได้ยินคำว่าสีละปะตปลามาสนะก็คือตัววัตโกตุลงมงคล น, นั่นเองโซดาบันวาง ศีลประตะปรามาตได้คือข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ผิดศีลศีลประตะศีลคือข้อปฏิบัติกายและวาจาที่ผิดตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่ น, นโสดาบันวางได้แต่ศีลประตุปาทานก็คืออุปทานในศีลข้อปฏิบัติกายวาจาทั้งถูกและทั้งผิดคือทั้งหมดเลย นั้นถ้าเรายึดมั่นถือมั่น <c oughs> ข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ดีก็หลุดพ้นไม่ได้อีกนะผู้เจ้าจึงบอกพรหมจันทร์นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่ อ, อความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งญาณทัศน์เป็นอนิสงส์นะ แต่เป้าหมายสูงสุดคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันไม่กลับกำเลิบนั้นที่สุดแล้วต้องปล่อยวางหมดนะยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ความปล่อยวางทั้งหมดนี้ความไม่ยึดมั่นทั้งหมดนี้จึงแบ่งเป็น4แบบนะในส่วนของการมุ ป, ปาทานธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมในส่วนของความเห็นจิตคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นไปไม่ยึดถือนะ ในส่วนของสีปรปุตตปาทานความยึดมั่นในส่วนของกายในฝั่งดีนะและสุดท้ายไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอัตตวาทุ ป, ปาทานความเห็นว่าเป็นตัวตนอันนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏนะเสื่อมปรากฏนะอันนั้นเป็นตัวขึ้นมาแล้วตัวหายไปนะนั้นอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏ เราไม่ยึดมั่นทั้งหมดนะอตวาทุปาทานบนั้นเราถ้าเราเห็นว่าธรรมชาติใดมีการเกิดปรากฏเราจะรู้เลยว่าธรรมาธาตุนั้นจะต้องมีการเสื่อมและมีการดับติดตามมาแน่นอน <c oughs> เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งธรรมาธาตุนั้นนะเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น จนถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานชฉพ ะ, ะตนคือเมื่อเราไม่ยึดมั่นของเกิดของตายมาเป็นตัวเราของเราเวลาของเกิดของตายคือขันทั้งห้าเสื่อมเราก็ไม่ได้เห็นว่าเราเสื่อมหรือเราดับไปด้วยกับมันแต่เราเป็นผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของธรรมธาตุทั้งหลายแต่เราไม่ได้เกิดดับไปกับมันด้วย เราเป็นผู้เฝ้าดูมันอยู่เฉยๆ เ, เพราะนั้นเวลาที่สุขดับไปทุกดับไปในใจยมเฝ้าดูดีๆว่าขณะที่มันดับยมไม่ได้ดับไปตามมันนะเพราะฉะนั้นถ้ายมเห็นได้อย่างนี้นะยมก็จะแยกตัวเองจากสิ่งที่ดับนะกับผู้ที่สังเกตสิ่งที่ดับออกจากกันได้นะเราก็จะไม่ไปเป็นตัวที่ดับ แต่เราจะเป็นผู้ที่ดูสิ่งที่ดับที่เกิดที่ดับที่เกิดอยู่นี่อันนี้เป็นวิธีเข้าถึงความไม่ตายนะเป็นวิธีที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่เฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับแต่ตัวมันเองไม่ได้เกิดดับไปด้วยนะอันนั้นก็คือวิมุตติอนัทศนะที่เป็นคนรู้ขันท้าเป็นคนรู้ทุกเรื่องนะอย่างนี้แต่เมื่อมันยังมีอวิชชา มีความเข้าใจผิดอยู่มันก็คิดว่าตัวมันเป็นวิญญาณมันก็เลยเกิดตายไปพร้อมกับวิญญาณไปเรื่อยๆนั้นขณะที่วิญญาณไปรู้อารมณ์ใหม่ความเป็นเราในวิญญาณดวงใหม่ก็เป็นไปพร้อมๆกันจึงต้องมีการให้วิญญาณตั้งอยู่กับที่ที่เดียวไม่ยอมให้ไปไหนคือทำสมถะหรือสมาธินะและเมื่อวิญญาณเนี่ยแสดงสัจจะความจริงของมันคือดับไป แล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดดูสิความมีอวิชชานะของวิมุตต์เนี่ยมันจะตามไปไหมนะเพราะออนั้นเ <c oughs> มื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งความอยากว่าเราจะไปรู้อารมณ์ใดเราตั้งความอยากว่าเราจะอยู่กับลมนะสักพักหนึ่งมันดับแล้วมันหายไปนั่นแสดงว่า <c oughs> จิตไม่ได้อยู่คงที่ เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าความเป็นเราคือวิญญาณ น, นั้นมันไม่ใช่เราจริงๆเราสั่งไม่ให้มันไปแต่มันก็ไปแสดงว่าวิญญาณหรือผู้รู้ลมหายใจตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะถ้าเป็นตัวเราของเราเราต้องสั่งได้เมื่อสั่งแล้วตัวเราของเราจะต้องอยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันเปลี่ยนตลอดมันไม่ได้เชื่อเราพลิกเป็นมุมปัญญา น, นิดเดียวว่า เออก mm ็เพราะว่ามันไม่ใช่เรามันจึงไม่อยู่กับที่ตามคำสั่งของเราเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราหรือวิญญาณไม่ใช่เราอย่างนี้เราก็จะเริ่มปล่อยจิตหรือปล่อยวิญญาณได้สภาวะที่รู้ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อผู้รู้ไปรู้อกุศลหรือรู้กุศลหรือรู้อะไรก็ตามเราก็จะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไปรู้นั้น เราก็ดูเฉยๆว่าอ๋อมันรู้อะไรรู้แล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรไม่ได้ไปตื่นเต้นไม่ได้ไปเพลิดเพลินไม่ได้ไปหดหู่เศร้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะก็เรียกว่าเรากำลังจะแยกนะจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วนะแยกของตายแยกของเกิดของตายให้เป็นของเกิดของตาย แยกของไม่เกิดไม่ตายออกม า, น, านี่ก็มีวันนี้สามพศเกี่ยวกับปฏิจจสุบาทท่านก็วันนี้จบไว้เท่านี้ก่อนนะคราวหน้าก็เริ่มหน้าห 6, 6 5แล้วกัน